ฝังแล้วมันจดจำได้ทำวัดเย็นก็ทำสั้สนๆเพื่อเป็นพิธีที่จะมาเราหรือมาเวาธรรมะให้พวกเราฟังธรรมะนั้นนะ่ะบางคนบ่เข้าใจบางคนเข้าใจเพราะระบบศึกษาตัวเราระบ้จาักการควบคุมตัวเราศึกษาตัวเรา ให้รู้จักตัวเราควบคุมตัวเราหรือควบคุมที่ไหนควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมคจิตใจปฏิบัติธรรมะต้องให้รู้จักกายรู้จักวาจารู้จักจิตใจเป็น่าแต่การควบคุมนั้นคือควบคุมร่างกายรูปเจ็บหัวปวดท้องหรือโรคทางเรือนังเนี่เขาจะควบคุมมันได้ยางหรือว่าอาจไม่ได้ก็ได้ มันต้องอาศัยหมอเลยเรื่องจิตใจนี่มันเป็นเรื่องควบคุมจิตใจมันควบคุมได้เลยร่างกายนี่ถ้าหากว่ามันต้องการมันหิวร่างกายมันหิววันไม้ใจหิวใจหิวกับร่างกายหิวมันคนละเรื่องกันร่างกายหินาะอ่อนเพียไปเองใจหิวเจ้ามันมันอีกเรื่องนึงใจหิวคือใจมันยาก ใจมันยากมันอยากกินเนื้ทางที่ใจมันหิวเมื่อใจมันหิวนั้นเขาจิตมันรู้จักเขาจะไปตามพานร็วไปแล้วควบคุมโบได้เพรนั้นเขาต้องปฏิบัติให้มันรู้จักถ้าหากเขาควบคุมจิตใจเขาโบได้เขาจเว้าไปสะเทเฮละไปทําไปทุกทิ่งทุกอย่างไปนั่นแหละเขาเยาว่าบ้าควบคุมโบได้เขาบ้าเพราะใจมันทําไปเลยใจมันคิดไปเลย อันนั้นมันภาวะมู้รู้จักการควบคุมตัวเองบูรู้จักการควบคุมจิตใจตัวเองร่างกายเนี่ยควบคุมมันได้บางอย่างมันอยากไปฆ่าไปซบไปต้อยไปตีมันอยากเว้าวสังเวยสิ่งที่บกวรเว้าวเนี่ยมันว่ามันต้องควบคุมได้อันนั้ตัวมันอ้อนมันเพียรมันหิวน้ําหิวข้าวปศุจลละปศวร์เนี่ควบคุมบัได้อมันต้องปล้อยไปตามนาที่เพามันหิวต้องหาให้มันกิน ถ้ามันปวดท้องอุจจาระต้องไปบอไปบัได้อันนี้เขาอควบคุมผัได้ถ้าเป็นโรคเจ็บหัวปวดท้องน่ะอันนี้ก็ควบคุมผัได้เขาคันท้าบนิเอรเอาอยามาให้ละตายาหมอหมอต้องมีความรู้ถ้าหมอโบดีกับโบโบหายถ้าหมอดีหายพบนี่มหัศจักผมเป็นโรคอันนี้ควบคุมผัได้เพราะว่าใส่หมอผมไปหาหมอเขา ตรวจเ็จร่างกายในบางคนเขาก็บอกให้ซึบซึบสะดุ้อไปอยู่กับลูกกับหลานจะดีกว่เท่าแล้ ว, น, วออนี่เขาบอกหมอบอกท่านนะแสดงว่าหมอกข บ, บุญเขาจากขักถ้าหากหมอขบุจกากคับก็เป็นโรคอันนั้นเลยเขาต้องให้ยาทันทีท เ, เป็นผมเนี่ยปล่อยไปให้จนมันเป็นโรคทีแรกมันอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคอย่างนี้หมอขบุญเพราะเราหมอขบจุจนเป็นมะเร็งขึ้นภายในกระเพาะกุนเป็น ผมไปอยู่้ึงกงคโปรครับแต่บ้านเฮานี่ก็พวกกลุมมันกรบบได้หลายเพืออยู่ครับไปสึงกคโปในการสูตสีมูจานไทยวัดจานกรุงรุกผมนั่งกินอย่างโบได้เลยนอนโซมันก็อาเจียนจริงมน้ำไปก็อาเจียนออกมัดว่ามีอย่างซี้าน์หานมาแล้วพวกกลุ่มโมได้ครับจําเป็นต้องหมอพวกกลุ่มมันได้ผมร้อนห่านยำมากินกิกนบมได้เปน็นอะไรครับหิว ก, ก็กินโมได้ เจนเท่าหมอเขาให้ยากินจนผ่าตัดที่เราเล็ก ไ, ไม่เป็นอะไรนี่เราให้เขาจับศึกษาที่ตัวเราปฏิบัติที่ตัวเราอันความเจ็บคุณปุ้นเป็นธรรมดาเขาก็ต้องรู้จักซึ่งที่มันจะแก้ไขต้องแก้ไขซึ่งที่โบแก้ไขได้ก็มีเป็นธรรมดาไปเลต่อมาผมมาผ่าตัดหุดในครั้งที่สามนี่แหละครับอันนี้ก็อาการหนั ครั้งแรกเนี่ยโมกคุณสมบูรณ์โม่หายคนนะมันจะนั่งกินขา้าวผู้เดียวโบได้เนี่ยควบคุมโบได้ไม่ได้ต้องมีคนตีอยู่เรื่อยลูบอยู่ด้วยกินข้ามันเป็นลมมันจินโบได้มันแครนเขานเน้าเนี่ยหียอว่าแครนเข้าบ้านผมกืนบหลงหลมมันดันขึ้นมากินมันบนป็นต้องมีคนหลักษาต้องมีซอกคนตีทั้งหน้าทั้งหลังเป็นประนั้น ดูวัฒนธรรมนาคุณสมบูรณ์เนี่ยพยายามทํานี่แสดง ว, ว่าพวกคุมไดร่างกายได้เลยแต่ต้องอาศัยคนอื่นอาศัยอาหารอาศัยกานกินเนี่ยเรื่องจิตใจมันคิดอฟงซ่านลาคาเนี่ยเราควบคุมได้เรื่อจิตใจเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องร่างกายไปอืน่นต่อมามาเมื่อไม่กี่วันนี้เพ่แม่มเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ย เมื่อหนึผมแม่รัดมีลาจะเอ า, เาข้าว อ, น อ, นนานอันข้าวหนบบมเนี่ยของพ่อแม่ข้าวหนมเงินข้าวหนมปั่นกับโอวัลกินมาถึงแน่นหน้าอกเลยกนะินแล้วกระยูบบรได้เลยวันนี้ร้อนขึ้นมาแน่นขึ้นมาออกมาหาคนที่ไปหายามาแก้แบบ น, นี้บพวกคุมบรได้หรอเปล่ายยก็เลยมาหาออกมานี่เห็นคุณการให้มนันการไปซื้อเอาเตปซี่มากับน้ําแข็มากินกินเตปซี่กับน้ําแข็งมาเป็นระบายแก้ไข ต้องหาวิธีแก้ไขนะแต่เรื่องจิตใจนะเขาจะไปเดือดร้อนมันคิดมันทุกข์ได้ตั้งแต่ผู้จับมันทุกข์ไปมันเจ็บได้กับผู้จํามัเจ็บไปนะปนพ้องควบคุมทางใจควบคุมทางร่างกายร่างกายนต้องหาหมอเรื่องหาวิธีแก้นะแต่นั่งการศึกษาการปฏิบัติต้องฝึกหัดมาจากต้นมือถ้าบกคคลใครต้นมือคนที่ตายเลยพวกเนี่ยพวจากเทศจากแดนบางคนนะ ลองหม่มลองให้ดีดลนอันนั้นควบคุมบได้ได้จิตใจควบคุมจิตใจได้ได้มันใจเพราะทีมันเจ็บมันเป็นร่างกายจะมันจิตตายมันบุกมื่อรอกร่างกายมันบุกมือตายแล้วก็บบุกมื่อหรอกแต่ว่าในขณะนี่ต้องควบคุมต้องช่วยมันก่อนเราพอช่วยได้ต้องช่วยให้เขากังใจดังนั้นจึงว่าตั้งใจปฏิบัติทำมาถ้าหากเขาจิบอตั้งใจปฏิบัติจริงจริงมันบมลูด้ มันจะเถียงจะว่ารู้แล้วซื้อนี่ได้มันโบลูเน้ยนี่คืงว่าเบิ่งเนี่ยนักศึกษานักเรียนเรียนมาคิดมากควบคุมโมได้เดี๋ยวผมคิดแต่เป็นบ้าก็มีเรื่อเป็นบ้านี่ยเพราะควบคุมจิตใจโมได้เป็นโมไม่ควบคุมร่างกายแล้วควบคุมจิตใจจิตใจมันฟุ้งซ่านถ้าเขาเลิกไปเดี๋ยวผมคิดร่างกายอ้นนวนข้นสมบุญบ์เจ็บโมเป็นพิร ย, ย่งพระจ้าก็เลยคมมุมโมได้เนี่ยคือว่า คนมูรู้จักวิธีควบคุมในเรื่องการฟังเนี่ยต้องตั้งใจฟังบมเม้นต์คือฟังเท็มอลำนนตีได้ฟังอย่าเพราะวาฟังแล้เอาไปแก้ไขปัญหาตัวเองคุณนี่ยโมเม้ฟังแล้เอาทิ้งไปทีนี้โมเม้นต์ฟังแล้วบอกาต้องฟังต้องแก้ไขตัวเองแล้วบอกว่ายายเฮ็ดโบเฮ็ดมันจะอย่าไปแก้ไขอะไรบบอกว่ายาเฮ็ดยังเฮ็ดยุ่มันก็แก้ไขโบได้แล้วแก้ไขโบได้ฟังทเสื่อนะ แล้วคนจะดีจะซัวเนี่ยต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมตาเห็นหูได้ยินได้ฝังบ้างตายเห็นเป็นยังใงตายเห็นคนทําดีก็มีทำชั่วกับนี้หูฟังบนเนี่ยคนพูดดีก็มีพูดชัวกับนี้อย่าตันตัวให้เราศึกษาลงไปที่ใจการเคลื่อนการไหวของลู ก, กายไายน้องให้เรารู้จักเมื่อเรารู้จักการเคลื่อนการไหวของลู ก, กายไายน้องจิตใจมันคิด อันเรื่องจิใจคิดกับเรื่องร่างกายนี่มันคนอันเรื่องกันใหผู้จักรู้จักเห็นอยู่เนี่ยผมนี่เห็นด้วยตาผมหลายคนนะผมประสบมาบางคนเรียนจบปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีควบคุมโบได้เป็นหมอที่แค่กับควบคุมโบได้ก็มีนะบางคนคิดคิดคิดคิดสันนบสนวุ่นวายแล้วคิดแล้วก็เลยเอาเอะไรหมดเลเกิดมีการขัดแย้งในตัวคนคิดดีม่้ง บดีเฮ็ดบอดีป้ดีป้อเนี่ยมันเป็นอาตั้นอยู่บทเสาเนี่ยแปว่าเราบ่มีกำลังใจหรือว่าบ่มู้จักจิตใจตัวเองในว่นเดีไปเป็นอาตั้นยัง่ว่ามาที่นี่ที่เรามาฝึกหัดอันพระคือกันโยมคือกันต้องปฏิบัติเบศเดียวกันนั้นปฏิบัติให้รู้ใจเขงคุณนะียใจมันคิดให้รู้จักใจมันขี้เกียจขี้คานให้รู้จัก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 ไปเรียนนังสือก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองนักศึกษาก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองนักศึกษาในผมถามเรียนปหนึ่งถึงปหกเรียนมัธยมหกขึ้นไปยังเป็นนักเรียนอยู่ยังได้ให้มีครูมีอาจารย์ควบคุมตกลงเป็นนักศึกษาเรียนปริญญาแล้วบ่ได้ควบคุมรักษาตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้บมได้ได้ควบบึงที่ได้ยังนัาเป็นบ้าอยู่นี่ ยิ so at, ่งควบคมตัวเองได้บ่นนั่นแหละเพราะว่าบบมักแก้ตัวเองจากเธอฝึกหัดไว้พวกเขาอยากเป็นนะครับคนน่ะต้องรู้จักนี่คมการคือการแตก่อนบรู้จักเเฮ็ดไกเฮ็ดว่าใจมันดีอยู่เรื่อยไเฮ็ดอย่างว่าแต่ดีอยู่เรื่อยมันเข้าข้างตัวอยู่เสมอมันรู้จักบูเห็นจิตใจมันโลภมันโกธมันรบ้เห็นมันเข้าข้างตัวอยู่เลยเฮ็ดนึกว่าดีละ เฮ็ดแลดีละสิมันคิดตั้งแต่ดีอยู่เรื่อยส่วนในบเหิตบุหิตจะไดเห็นสัวเราคิดว่าจะดีก็ซื้อคนโบราณพ่อแม่ปู้หญิาข า, ายาพื้นหางไป็นลำฐานนะต้องเหลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลี้ยวซ้ายเหลี้ยวขัวเลียวเบื้องตัวเองบ้างเลียวหน้ากับเคิดเบื้องไงวะเลียวไปแต่ข้างหน้าเราจีเฮ็ดไม่จีดีบอดีบอสเลียวไปข้างหลังมันเนี่เราเฮ็ดอะไดมาแล้วมันดีบอมันส่วบอ เจ้าของต้องห่วจังเรี่ยวหน้าเลี่ยวหลังเรี่ยวข้างซ้ายข้างขวานี่เรียบเมืองมู่เมืองเพื่อนมู่เพื่อนเหตุอยงไหนเขาดีหรือเขาบุญดีเขาเหตุใจเป็นว่าเรียวเมืองตัวเองมาเนี่ยกำลังนึกกำลังคิดอยู่นี่เป็นว่าให้ควบคุมตัวอมันได้ควบคุมรูปอันนี้ถ้าหากว่ามันเี้นโน่นเกินไปควบคุมมันได้ใจมันคลิกขึ้นมาบมาเนี่ยควบคุมมันได้เป็นสว่าดีแล้ว การศึกษาหลักพุทธศาสนาบาปบุญศึกษาลงเพี้ยตัวนี้แหะบุญเป็นผีมาซอยบุญเป็นเทวดามาซอยคนทุกเพราะยั้งทุกผู้รู้จักกินผูรู้จักใส่ผูรู้จักหาผ่้รู้จักเก็บเป็นว่าคนดีเพราะหยั้งเนี่มีเงินมีทองเพราะรู้จักหารู้จักไสรู้จักเก็บเป็นว่ารู้จักแท้บนเป็นเจว่ารู้จักละว่าก็คือตื่นผมเนี่ยเคยติดบุหรีสูบบุหรี่มาสูบมาตั้งแต่น้อยคนนี้ พ่อแม่ฝึกหัดพ่อแม่ถือว่าบุหัจหักลูกโดยอย่างเป็นเอาบุรีให้ลูกไปไต่ไปจุดไฟไปจุดไฟให้พ่อได้ไปต้องไปไปต้องสูบอันนี้แสดงว่าใส่ลูกบอเขาเรื่องใส่ลูกโบเป็นเป็นอย่างไรก็เลยสูบยาสูบแลบว้วโบออกเป็นได้บริเวณเท้าไปปฏิบัติธรรมะทีเดียวผมอายุสี่สิบหกปีบุหัสสี่สิบหกปีนี้ผม เพราะผมเกิดเดือนสิบปีกุลเดือนสิบผมไปปฏิบัติธรรมะผมหูจักเดือน 8, แปดล้วเดือนเก้าเดือนสิบเพราเดือนสิบไปอย่างที่ฮอสี่สิบหกปีแค่ผมยู่ปฏิบัติตัวของผมอยู่จนฮอดเดือนสิบเอ็ดเพ่งอย่างนี้นออกพรรษาผมไปปฏิบัติธรรมะพรรษาหนึ่งผมรู้จักธรรมะตั้งแต่เดือนแปดถึงหูจักแล้วผมเลิกไหนค่วงซัวทุกประเทศผมเลิกไหนครับ ซูบบุรีผมเลิกได้ไปดูการเล่นเล่นการพ น, นันฟังดนตรีฟังขับลํำพำเพลงผมเลิกเลยเมดไหวพี่ไหวเทวดาผมเลิกเลยเมดทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจยล้วที่ว่าเอามาพูดเอามาสอนเอามาแนะนำไปตักเตือนกันจว่าฝึกหัดให้มันรู้ดีๆให้พี่มาควบคุมเขามางที่มาควบคุมยังได้ของขพององี่มือนกระบอหมีเด้ แจ้งเทวดามาควบคุมเขาเทวดาที่ไดนเมือนพวกนีพี่คือคนทำซัวพูดซัวหน้าลื่นหน้าด้านนั่นแหละเคยได้ยินบอกว่ า, วาบักผีก็เป็นว่ายากเนอะเคยได้ยินบอว่าผีนี่เคยได้ยินบอกได้ยินวะเออนี่นเคยได้ยินบะเนนได้บะเ น, นี่ยพระเด้เนี่ยีพระผมมีเนี่ยนี้กป็นมรรยายนีคือผีนั่ น, นเนรรนนี่มันต้องคือซื่อๆนี่เนี่บยบ่เห็นจิตเห็นใจบ่ได้บ่เป็นร่างกายเป็นนี่ถึงผีใจบ่ได้ถึงผี นี่เป็นอะไรท่านเนี่ยคนวายาบักผีบรรเนียเนี่ยอีพีบรรเนียเนี่ยพระผี่เด็กผีท่านนี้เป็นวายาคนเว้ายากเนี่ยของเราเป็นผีผีหงุ่งผีฮาผียังสลบครับนั่นเป็นอะไรเทวดาบเนี็ยคนเว้าดีเว้าง่ายสอดง่ายเอเว้าง่ายคือเทวดาเนาะแมกขวายเทวดาก็ะ่บมีตนว่รมีตัวอย่างโตคนเวาง่ายคนเว้าง่ายเข้าใจง่ายพุ่น เพระเยาวันห็นนี่ขนละอายแก่ใจละอายใจพุนิเห็นใจพุนิโอตาปะควมเกงกลัวต่อบาปบาปคือมันมืดมันบู้จักจิตบู้จักใจพราะเยาว์อนให้เบิ่งจิตเบิบ่งใจอันเทวดาก็คือคนทําดีพูดดีคิดดีเมืองสวรรค์มันเนี้ยก็คือยุ่งดีกินดีอารมณ์ดีบุทุกบุญญาบเุเดือร่อนปันไหนเพราะเออเมืองสวรรค์เลย นิพพานมันเนี่ยเป็นว่านิพพานคือโคบโบวบุสับสนโควบุวุ่นวายบุเดือดร้อนเป็นว่าอยางอนั้เอะอนิพพานคือมันโคบมารบกลวนเขาเขาเห็นรู้เทา่ารู้ทันรูถถ้ ถ, ถึงเหตุการณ์ของมันเพื่อนเออนิพพานเพื่อนเออโล ก, กิญะธรรมโล ก, กุตรธรรมโล ก, กิญธรรมนั่นคือว่าคิดอยู่กับโลกเมื่อวางโลกใดเขาเออโล ก, กิญะธรรมมันผู้ห่างไกลคผู้ยังยกไกลไกลจากนิพพาน นี่เขาไปในผา น, น่ะสมมุติเขาคือว่าเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาที่ไปกรุงเทพสมมุติกรุงเทพเป็นมิถานบ้านเขานี่เป็นโล ก, กียะรับเขาเน่ะเมื่ากีไปกรุงเทพเนี่ยไปฮอดขอนแกน่ะไปฮอทคอนไปลงลดลงอย่างเละเลยฮะต่อโบตอเนี่ยไปโบหอดแล้วตายข้างทางอันแล้นเออโล ก, กียะแร้วโล ก, กียะบัดนี้คุณตั้งใจไปเนี่ยไปฮอดกรุงเทพบริแทนไปเบิ้ง สนาหลวงไปเบิ้งทุ ก, ก อ, อกทุกซอยทุกมุมโอ้ลักษณะของคนกรุงเทพการทํามาหากินไปอย่างนี้เน่อยหุจักอันนั้นก็หลกอุตรธรรมพเจารนิพพานเหมือนพรเขาไปหู้จักนิพพคนทุกคนต้องตายนี่พอไว้ยังยกเว้นบ่ได้นี่เป็นอึศัจจธรรมอะไรตายจะเทดีนะผู้น้อยก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายเจ้าหัวอจวดตายมัดทุกคน ทุกศาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยที่อย่าพอวานคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็ตายเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมลคนญวนคนลาวตายเป็นมดืดในพระเอิ้นสัจจะทำสัจจะเ ร, รียของจริงเตี้ยนแปลงหมดได้เป็นวันนั้นแท่งห่อที่เปผู้จักสัจจะอย่างที่บอได้ไปโมไปผิดสัจโมได้ทำํโทำโมทําผิดอันนั้นจริงอยู่เขาเอ้นโลกียะทำอันนี้ คำว่าส no really? well, we ัจจะเนี่ยหมายถึงความตายอย่เนี่เขา่ศึกษาให้หัวจคกามตายอยู่เนี่ยที่ตายด้วยความทุกข์เนี่ยที่ตายด้วยความบ่มีทุกข์คันตายด้วยความทุกข์เพรนเอิญโลกยธรรมตายด้วยความบ่มีทุกข์เพะนเอินโลกุตรธรรมตายด้วยความทุกข์เพระนว่อตายโดยมือบ่มีสติโดยบูรู้สึกตัวตายด้วยบนบุญทุกข์นั่นคว่าตายโดยนีสติตายโดยรู้สึกตัวคนหนว่งใครศึกษาให้ปฏิบัติคนหนึ่งมีเงินลอยล้านก็ตา โบมีเงินกระตายบนี้เรียนหนังสือจบปริญญาเอกกระตายโบได้เรียนหนังสือกระตายบวชกระตายเรียนหนังสือทางธรรมะจบประโยคเข้ากระตายโบได้เรียนหนังสือกระตายจะบอกข่มตายี่วอกแน่นอนที่สุดเขาจิตสร้างข่มดีหรือจิตสร้างข่มซัวบนี้มันมีสองอย่างเท่านั <Yes>, ้นเองจิตสร้างข่มซั่วหรือเขาเฮ็ดซัวลงไปแล้วเฮ็ดข่มซัวใครจีเฮ็ดในเขาสร้างข่มดีแล้วก็จเลิกข่มซัวแล้ว โลกผมซัวแล้วผมซัวกะหนีหมดที่ซื้อเนี่ยคื อ, อยา่างผมวานี่นะอย่างอย่าพอวานอย่างพอเลิกสูบยาต์ก็เลี้ยวซื้อๆด่นะมันก็มาลกกลัวนี่อย่าผมซัวเลยเลิกไปเล่นเบี้ยเล่นไพ่เบิ้องขาเจ้าเล่นเบี้ยเล่นไพ่เบิ้งมาหัวศพครบงานดูหนังเนี่ยก็ล้วซื้อๆี่นะมันบ่เห็นอย่างให้ห่าว่าวหัวมันเนี่อันใจมันคิดอยากไปนะเดี๋ยวให้ดูจิตดูใจใจมันอยากไปหักค่า ม, มันได้มีคนว่า ใจมันอยากเหตุหักข้ามบอดใดเนี่ยเป็นว่าดูจิตดูใจมาไปที่ดูซื่อๆนี่เด้ออันนี้เจ้าของดูซื่อๆมาอยากตายกับตาแต่ว่าหู้จักใจด้วย บ, มมบยูมีนี้ควบคุมบอดได้ได้ไหมควบคุมกายบอดได้ควบคุมจิตใจบอดได้ดังนั้นจีว่าให้เข้าใจตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าบูตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตตตแล้วบอได้เลยนี่แหละจัดจ่ายไปท่ทพาเลยพระพูริเจ้าทุกพระองค์และพระสาวกทุกพระองค์ ต้องรู้จักวิถีตายแล้วเฮานี่ทุกคนรู้จักมดถ้าฝุดหัดมันเพราะนี่บ่คคลคนตายอย่างพอเข้าใจอย่กันอย่างพออายุที่สิบหกปีกำลังยางใส่ายางมาตอนเศราให้มันตายสักกอนแม่ยังรู้จักไหมควมตายนี่มันไม่ตายเลยมันหมดซื้ อ, อเลยหมดเนื้อหมดหนังหมดเลือดหมดยางมดทุกอย่างที่บอกคือตายอ่ สมมติเอาให้ฟังมีพาของบาทแขนของบาดเนี่ยตัดพวกมเสียเลือดมันจะมารวมตัวออกปากบาดนี้บาด น, นี้พอดีของวัชจักรตัดปุ๊บลงไปมียาที่เจอใช่ไหมเลือดมาานันจะบวมปักบาดมันจะกลับขึ้นไปแล้วคุณเอาคุณทำที่มีกลับคืนเนื้อของทางมนเลือดมันกลับขึ้นเาที่ป า, า, ากบกาดมันจะบวมออกนี้มันจะเป็นอาการเนี่ยของที่ตายเนี่ยพ่อเคยว่าให้ฟัง เอามือไปแตะก้นผูน้อยมันขาวพราะนี่เขาเอามือมันออกเอามือออกแล้วมันแดงก้นผูน้อยมันแดงแข้งขามันแดงเขามือกดเขาเป็นขาวมันคิดเป็นอะไรคิดเป็นนะั้นมนาะ ท, ทุกคนนี่นะที่ประสบอันนี้ทุกคนนี่นะบนยกเว้นทั้งมัดเบอร์เดียวหู้กับตายโบหู้กับตายหู้ก็เป็นโบหู้กับเป็นที่ว่านสืบสายรูร้ จ, จักอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าหาโบจักจุดนี้แล้วโอยกระโบใส่คนแล้ว โบ้แมงคนนั่คนคนอยู่หน้าตาแทงขามือเท่าคนอยู่เพราะเกิดจากคนได้เป็นลูกคนเนี่ยคันท่าคนก็ต้องเลือกคัดจัดเอาได้เหมเลือกเขาอันใดเหมาะสมกับเอาอันใดว่นนหเหมาะสมกับววเอาเป็นว่าจยางนั้นจังหวาให้ตั้งตั้งใจเวลามันน้อยเมื่อนึกไปสิบสองชั่วโมงนึงแบบเนี้ยเขามีเวียดยังไงเขามาบวชเนี่ยเขามีเวียดยังไงามาปฏิบัติธรรมนี่ต้องปฏิบัติ การงานสิ่งที่มันมีไปเฮ็ดนี่ต้องจัดทำอันนี้บบเฮ็ดยังปฏิบัติกขบโบเอาการงานเขาเอาเกษียรหลักแล้วนี่เขาโบจักบุญคุณของเขาที่มาเกิดเป็นคนนี่แล้วนี่มาเกิดเป็นคนนี่ยากนี่บบยากเส้ยดายเขาเบิ้งแม่คนมาเกิดเป็นคนบางคนเขาทอแม่มาแล้วตั้งทอขึ้นมาแทงออกมาเป็นโบเห็นได้เกิดเป็นคนทั้งเนี่ยูหัดตายเลยบางคนเกิดออกมาได้เดือนนู้นตายกัวนี้เนีบางคน บางคนเกิดมาเป็นนุมเป็นสาวตายก็นี้วุฒิธรรได้เข้าวัดสังธรรมวุฒิภูจักมียังอันนี้แหละพูดว่าเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังบางคนเป็นพอบ้านเงมงไปตายก็นี้บุญภูจักผิดทุกข์มียังเนี่ยพูดว่างานไปเหลี่ยวหน้าเหลียวหลังเหลี่ยวใส่เหลียวขัวเขามีศิริจูเนี่ยหิดเห็ดหิดถัมืมาทํามัดเซาวัดเด่นทํากันเ น, น่นอนอบรมก็ให้มันดีให้ตื้นเดึกลุกเซาวไว้พระสุดหมดื่นพอบีสอนอันนี้เขาทานเห็ุ มันก็ไ่เป็นนิสัยทางที่ดีแล้วมันที่ค้านเขาบอยากเฮ็ดแล้วบ่นเลยวันว่าอันนี้เนี่ยพอไปเทศที่ไปยักเฮ็หมอะพาเทศให้ฟังเลยเทศเขาเจ้าซอยคนที่ค้านมันโมโหดีอยู่ท่นเป็นคนอับปีทุกโจนหุนให้ท่านค้านเฮ็ดให้เฮ็ดนาเป็นคนผคนยากเป็นคนทุกคนยากเที่ยวหาขอทานเที่ยวหาขอเข้าสุขเข้าสันเด็กไปไส้วัดวาอารามเดี้ยบังตาเป็นห้าเป็นหามหย า, ามยาเมื่อแหล่ง คนนั่งคอยจุกถพาคนอิ่มแล้วเนี่ยยกผักเข้าออกมาเนี่ยฟ้าฟูฟ้าฟังยัดแต่โบได้หลา ย, ยคือคนที่ตายเนี่ยและแม่คุณพอ่อแต่เขาจะาพาเงินมาไว้อพ่อฟังยางพอไดพยายามจำอะไรเนี่ยคานบดีเลยคนในขยะมีกินมีใช้ขจ้าบคาณเนี่ยเดิมเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นตอกผลมันออกมาได้กินยู่ใส่ปัดกวดโบหกเกี้ยงแต็มแล้วก็หาเงินหาทองให้เนี่ ก็ว่าจนแล้วผู้หันร้จักเก็บรถจักหาร้จักรใส่อะไรบัด น, นี้คนบุรู้จักหาบุรู้จักเก็บบุรู้จักใส่บุน่นน า, าี้รู้จักแทรหาซื้อๆบุรู้จักเก็บกับอได้อีกสิมีคนมาว่าให้อย่าพกฟังมาเหตดการณ์จริงดีนะลูกหลานนี่นะ อ, อย่าพอวัดดีได้โอ้ยดีดอครับบุ้นดีเเพราะบเก็บเลยแต่แกไปเห็รถให้อย่างนนทนทุกครั้งวันเอ้า คนก็รู้จักเก็บมันก็จะได้บ่อเนนหนามันก็บ่ดีแล้วต้องรู้จักเก็บรู้จักหารู้จักใสพวกเขาให้หู้จักเด็กเล็กแต่น้อยมาอยู่นี่คือกันต้องทําวัดเสาวัดเด่นยาคารชุก ข, ขัดตัวเขาเขาที่เป็นคนดีความดีของเขาในประยชน์ใส่ของที่บุญมีการขัดแย้งกับมู่กับเพื่อนมันขัดแย้งตัวเขาไปที่คีคานไปทําวัดคี่คานไปให้มันโมเห็ุโกขัดแย้งเพรใจเพราะนี่มาขัาดแย้งบริเวณรูกของเนี่ยใจเพราะนีมันเป็น บัดนี้เขาไปยูติแต่กับผู้หั่นกิเหตบูดีผู้นิเคห์บุเดีย ม, มันจีขัดเงต่ยตัวมูคุณเองเขาจี้เหตบูดได้เขาจีเาจ้เสียสละบูดได้ให้ได้เป็นพญาวาเสียสละให้มูซักเขามาเหตต์เจดีคือซื้อเนี่ยคนท่านนั้นมันอยากดี ม, มันบบกน็ดีเองใครเป็นผู้อยากดีก็สร้างมันแล้วเป็นอย่า ง, งนั้นไ้พญาวัดฝึกขัดการทำวัดจดบุญเป็นหน้าที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนอย่าผวาเป็นหน้าที่ทุกคนต้องถามันหน้าที่ทุกคนเนี่ยพระส่งองค์เจ้ากับหน้าที่เป็นการฝึกขัดนี่ย ขูคัดเขาทิ่เป็นนิ ส, สัยอย่าพ่อนี่เคยเป็นนิ ส, สัยติม่าเป็นหนิครูบาเขี้ยนตีให้นุกเดึกนอนก็ น, นอนหลังครูบาอาจารย์แต่ย่างพอบุเีรัมย์ทันอย่างถึงเวลานอนต้องนอนแต่ต้องตื่นถึงเวลา้มาจิตตื่นพอดีคนกรุงเทพนี่ก็คือคนบ้านเฮาเลยเจ้า หกทุ่มยิ่งไม่ได้นอนตีสอบอยากนอนไปตื่นเอาโพูดหกโมงหรือโมงเตาเจ็ดโมงสอบเขาจารีบไปทํางานเป็นเขาจีเอาแบบนั้นมาโบได้บ้านของโบได้เขาต้องศึกษาต้องปฏิบัติจริงจริงถึงจะพอหวานตื่นเด็กหลับเราเรียนหนังสือก็ต้องตั้งใจเรียนสอบไล่ได้มีประวัติถ้ามันดีถ้าเรียนโบดีประวัติโบดีไปไปสมัครก็กระบอกให้อ่อนเนี่ยพอถามมันจะสมัครรับสมัครจากสิบคนเนี่ยที่เอาสิบคนเนี่นไยไป เป็นพันๆอย่าพ่อถามข้าเจ้าอย่างพอไปเทศลงพยาบาลอำเภอพุท ธ, ธบาทเขาเอาคนร้อยกว่าคนสมัครเป็นมื่นคุนะเนี่ยที่เป็นหวังตั้งแต่เป็นเจ้าเป็นนาจีงเงินเดือนหมดต้องทําการทํางานนะเมษสมัครบัได้กับบได้เลย ก, ก้อนเขาที่เอานั้นเขาต้องซื้อประวัติประวัติเบื้องหลังดีตั้งใดซื่อจะไหเขาจ้าจีนเขา จ, ขจักที่อย่าพอมาลอ้ฝังเนี่ยเป็นวิธีที่ควบคุมตัวเขาขับกล้ามตัวให้มันได้ ถ้าหอบหักข้ามตัวหอบ่ได้ก่เต็มทีและเกิดเป็นคนเสีย้ยวความเป็นคนเล็ะที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสติใจมานี่ก็เห็นว่าสมควรแล้วเนี่ยท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสนและญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่นัตสถานทีนี้หรือเดียวนี้นี่แหละอาตมาขออ้างในอากุลของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำลางสอนขององค์สมเด็จพระธรรมจัรภีร์เจ้า และคุณของพระนาาักตากาวว่าเขามาสมุดเรมาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พระพเจ้าสอนเอาไว้นั้นว่าทัพทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้อันคือตถาคตก็คืออย่างคือจิตใจสะอาด จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคองใสจิตใจว่องไวจิตใจเขาเนี่ยสามารถว่องไวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าไม่ว่าโตแค้งโตขาโตเนื้อโตหนังเป็นโตจิตใจมันเต้นโตสามารถผู้จักมันมันเต้นเอิ่นๆจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์ ใจิตใจพองใส่ใจิตใจว่องไว้ตัดสิทธิ์ลงไปเราบกขาดคุณเอาว่าจิตใจเห็นแจ้งจิตใจรู้จริงคุณน่ะมิปัสจนาจิวาต่างเก้าลวงผาว่าเดิมเหมืนว่าตัางเก้าแท้ๆลองเทสบุญเนี่มั น, นที่เป็นแเถะเนี่ยพ่อหัวใจอันนี้แหละจิงว่านํามาบอกมาสอนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่อยากให้ทุกคนนี่คนประจักษ์รวมทุกอันนี้ เกิดมาสาติหนึ่งก็ตายชนิดเกิดมาสองชาตตายสองเดียกเกิดมาสิบชาติตายสิบเดอยวันนี้เป็นว่าเห็เป็นพุกขคนเกิดมาแล้ว่าบ่อยากตายไม่ที่ทนได้บอกบ่ตายนี่เป็นว่าเห็นพิษเนี่เกิดมาต้องตายพระพิโรจน์สอนบ่กให้เราอย่าเกิดนะเพราะเราเห็นพิษเห็นไทยตัวมาเกิดคุณนี้ตัวจิตใจไม่ได้คุมมันได้เนเนะ่ยภาวนะคุมมันไม่มาเกิดคุนไหมนี่แหละ ขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอานในชีวิตนี้หรือเวลาอันใกล้นี้จงทุกทุกคนเธอ